ยาซีเรียกเรื่องลืมสอนค้างคกเป็นศาสตร์ที่ข้ามถนนตอนกลางคืนไม่เก่งจะถูกรถทับตายเป็นจำนวนมาก มีค้างคกตัวหนึ่งต้องการข้ามถนนเป็นจึงไปปรึกษากระต่ายเพราะกระต่ายข้ามถนนตอนกลางคืนเก่งมากกระต่ายกระต่ายช่วยสอนเราข้ามถนนตอนกลางคืนหน่อยสิคุณน่ะเป็นแชมเปี้ยนข้ามถนนจริงๆได้สิวิธีข้ามคือตอนข้ามไปถ้าแสงไฟสองดวงส่องมา ให้กระโดดไปอยู่ระหว่างไฟสองดวงนั้นแล้วก้มหัวให้ตามพอแสงไฟผ่านไปก็กระโดดต่อไปได้เลยรับรองปลอดภัยคืนนี้กระต่ายลองทำให้ดูได้หรือเปล่าได้สิว่าแล้วคืนนั้นกระต่ายกับคางคกก็ไปที่ถนนกันเพื่อปฏิบัติการตามหลักที่สอนมา กระต่ายข้ามให้ดูก่อนพอมองเห็นแสงไฟสองดวงมากระต่ายก็เข้าไปอยู่ระหว่างไฟสองดวงนั้นแล้วก้มหัวให้ต่ำแสงไฟก็เลยผ่านหัวไปกระต่ายก็ข้ามถนนไปได้อย่างปลอดภัยสบายๆพอมาถึงคราวของคังคกบ้างคังคก็กระโดดไปกลางถนนเห็นแสงไฟสองดวงมา ก็กระโดดเข้าไปหมอบอยู่ระหว่างแสงไฟสองดวงทันทีก้มหัวลงให้ตามอย่างที่กระต่ายสอนพอแสงไฟเข้ามาใกล้ก็มีเสียงดังแปดแล้วก็เลยไปปรากฏว่าข้างคกถูกรถทับแบนติดถนนเมื่อกระต่ายเห็นดังนั้นถึงกลับถอนใจและใส่หน้าพร้อมกับรำพึงว่า เจ้าคางคกเอ้ยสวยจริงจริงลองครั้งแรกก็เจอตุกตุกซะแล้วเรื่องนี้สอนว่าการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆต้องอาศัยปฏิพานไหวพริบมิใช่จะรอรับจากผู้สอนอย่างเดียวเพราะประสบการณ์บางอย่างเขาก็อาจลืมบอกเราโดยไม่ตั้งใจก็ได้